ปัจจัย74สภาวธรรมที่ต้องประหารได้โสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น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 อธิปดีธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สามพยุติขันโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูป โดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และมรรคเบื้งบนสาโดยอธิปฏิปัปจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัใจใจัยแก่สามัญยุติขันและจิตตสมุทานรูปโดยอธิปฏิปัจจัย 75สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสเป็นปัจจ in ัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและจหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตะขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่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 เือสหชาตาธิปติได้แก่ the the อธิปด ER ีธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสและที่ไม <kat> ่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่ อธิปฎิธรรมที่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สามปยุติขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัย 76. สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสโดยอธิปฏิปัจจัยมี2อย่างคืออารมานาธ <ไ hardships S 1> ิปติและสหชาตาธิปติ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 นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมักและผลโดยอธิปฏิปัจจัยสหาชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสุโฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารวิโสดาปฏิมักโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปฏิได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลงกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลเพลงกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้นทิชฌ์จึงเกิดขึ้น พิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทยวัตุขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาบันปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโดยอธิปฏิปฏัปจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลื่อเพลิงกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลื่อเพลิงกุศล น, นั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วบุคคลยินดีเพลิอเพลินขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิอเพลินจากสุปเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น อนันตระปัจจัย77สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาร oh ด้วยโสดาปฏิมาคและมรรคเบื้องบนสาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเกิดกึ้นก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารได้มรรคบื้งบนสามซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารได้มรรคบื้งบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคบื้งบนสาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันที่ต้องประหารได้มรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่วุฒิฐานะโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาซึ่งเกิดกรรกรเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัย78สสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรรคโดยสมนันตรนปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัย79สสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรรค เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยสหชาตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารได้วยมัคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ต้องประหารได้วยมัคเบื้องบนสามีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสาม โดยสหาชาติปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูปโดยสหาชาติปัจจัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยสหาชาติปัจใจหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาม มหาภูตรูปรเป็นปันจจัยแข่จิตแต่สมุทฐานรูปที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญยสัตยพรมสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยสหชาติปัจจัยได้แก่ ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแห่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้วยมักเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทานรูปโดยสหชาติปัจจัยอัญญะมัญญะปัจจัยแปสิสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่ขันสามสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารได้มรรคบื่องบนสาขันธ์หนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคบื่องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคบื่องบนสามขันธ์หนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื่องบนสาเป็นปัจปจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญามัญญาปัจจัย ขันสองในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่ขันสามและหาเทยวัตถุโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันสองขันเป็นปัจจัยแก่หาเทยวัตถุหาเทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาโดยอัญญามัญญะปัจจัยสำหรับเหล่าอสัญญสัตตพรม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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปขันสองในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทายวัตถุหาไทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญาสัตพรม จากกายยตนะเป็นปัจจัยแก่จากขขวิญญาณกายายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาทะยวัตถุสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยนิสยปัจจัยได้แก่หาทะยิวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยนิสยปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสโดยนิสยปัจจัยได้แก่หทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสโดยนิสยปัจจัย 82. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยนิจยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยนิจยปัจจัยขันสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม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 และหาไทยวัตถุ usted, เป็นปัจจัยแข่ขันสามโดยนิสยปัจจัยขันสองสภาวธรรมที่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันที่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแข่จิตตะสมุทฐานรูป โดยนิสยปัจจัยอุปาณิสยปัจจัย8ปสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปานิสยอานันตารูปานิสยายและปะกะตูปานิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัค แล้วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ทำลายสงฆ์อาศัยโทสะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโมหะทิฏฐิความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์ราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปาณิยยปัจจัย สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตะโรปาณิสยาและปกะตูปนิสยาปกะตูปาณิส ย, ยะได้แก่บุคคลน่าัยราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำสมาบัติให้เกิดขึ้น อาศัยโทสะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ความปรารถนาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โทสะโมหะทิฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายพละสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยแปดสสสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแขย่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรารมณูปานิสยะอันันตูปานิสยะและปะกะตู ป, ตปนิสยะปะกะตู ป, ตปนิสยได้แก่ราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโทสะโมหะมานะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโทสะโมหะมานะ ความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่าง of of Honestly, d, คืออารามณูปนิสยะและประกาูปนิสยะประกาศูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงอาศัยโทสะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม โมหะมานะความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์ราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโทสะโมหะมานะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโทสะโมหะทิฐิความปรารถนาโดยอุปาทิยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตน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 โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยะและปกระกตูปานิสยะปกระกตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามโมหะมานะความปรารถนาแล้วให้ทานทมสมาบัติให้เกิดขึ้น ราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสามโทสะโมหะมานะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาภละสมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัย 85. ดสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามโดยอุปณิสยปัจจัยมีสมอย่างคืออารามณูปาณิสย อนันตารูปะนิสยะและปกระตูปานิสยะปกระตูปะนิส ย, ยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทมสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลสุตจาระปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาสุตศีลจาระปัญญา สุขทางกายทุกทางกายอูตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแห่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายภะระสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสย พันนัูปาณิสยะและปะกะตูปานิสยะปะกะตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปาณิสยาปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเปื้องบนสาโดยอุปาณิสยปัจจั ย, ยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตโรปาณิสยะและประกระตูปาณิสยาประกระตูปาณิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะ เสนาสนะแล้วมีมานะศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโพชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโทสะโมหะมานะความปรารถนาโดยอุปนณิสยปัจจัย ปุเรชาตะปัจจัยแปสหสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้งบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้งบนสโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นแจ้งโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะหาทยวัตุเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปลายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโพธภายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จากกายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณ กายายตนะเป ka ka ็นปัจจัยแข่งกายวิญญาณหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ อารามณบปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปรารุปความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมณัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินหทัยวัตุเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินหทัยวัตุนั้น ราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจชาจึงเกิดขึ้นโทมณัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแญ่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแครสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปร า, ารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมณัตที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น ยินดีเพลิเพลินโสตกายรูปโพธะะหาทายวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลเพลนโสตเป็นต้นนั้นราคะที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนาที่ต้องประหารได้มักเบื่องบนสามจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามโดยบุเรชาตะปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจจัยแปสเจสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสาโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแห่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบืงบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโดยปัจฉ า, าชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสาโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอาเสวนาปัจจัยแปดสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก โดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเกิดกลอนเป็นปัจจัยที่เกิดหลังๆโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื <that S 2> ้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยอาเสวนาปัจัยได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งเกิดกลอนเป็นปัจัย ที่เกิดหลังๆโดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยอาเสวนาปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเกิดกรรกรเป็นปัจจัยที่เกิดหลังๆโดยอาเสวนาปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มักโวทานเป็นปัจจัยแก่มักโดยอาเสวนาปัจจัยกรรมะปัจจัยแปสบเกสภาวธรรมที่ต <nights burnout> ้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจ yes. ัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเปืงบนสาโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสาโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารได้มักเบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคขันโดยกรรมปัจจั ย, ย, จจยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแข่จิตตสมุทานรูปโดยกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยกรมมปัจจัย ได้แก่เจตนาที่ต้องประหารได้วยมัคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจจะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรร ม, มปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมัคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมัคบื้องบนสาโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาน า, นาคณิกะสหชาตะได้แก่ เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยธรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกตัตตารูปนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบาก และกระตาตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัย90สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื่องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื่องบนสาโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป โดยวิปากบปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปากบปัจจัยอาหารปัจจัยเป็นต้น91สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอาหารรปัจจัยย่อเกวีเลียงกราหารมีเจ็ดวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่จากขุนศรีรูปชีวิตินศรีมีเจ็ดวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมัคคะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตะปัจจัย92 สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อน โดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรรคและมักเบื้องบนสโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างเครสหชาตะและปัจฉาชาตะแม้บทนี้ก็เหมือนกับบทว่าโสดาปิมรรคสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมรรคและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแข่จิตตะสมุทานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาบันติมักและมักเปื้องบนสาเป็นปัจจัยแขยกตาตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยวิปยุตตะปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันโดยวิปยุตตะปัจจัยปูเรชาตะได้แก่จักขลายตนะเป็นปัจจัยแข่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแขกกายวิญญาณ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 โดยวิบยุตต์ปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทัยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยวิบยุตต์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโดยวิบยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย9๓สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอะละมักเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคเบื้องบนสาโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแก่ขัน well. สามและจิตตสมุทานรูปขันสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสาม มีสมวาระพึงเพิ่มเหมือนกับบทว่าโสดาปฏิมักเก้าสิบสสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อบนสโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรีย์สหชาตะได้แก่ ขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุหาทายวตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญาสัตวพรมมหาภูตรูปหนึ่งปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะกายรูปโพธพภะหาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแ่จักขูวิญญาณโพธภายตนะเป็นปัจจัยแกลยาวิญญาณจักขายตนะเป็นปัจจัยแ่จักขูวิญญาณ กายายตนะเป็นปจัจจัยแก่กายวิญญาณหาทายวัตุเป็นปจัจจัยแก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโดยอธิปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเป็นปจัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยเกลืองกราหานเป็นปจัจจัยแก่กายนี้ รูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประห า, ดดารด้วยโสดาปติมักโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปรารุก ค, ความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักจึงเกิดขึ้น ทิิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคจึงเกิดขึ้นยินดีเพลเพลินโศตักหาทายวัตุหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอธิปัจจัยสาภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สาภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสาม โดยอธิปั จ, จัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิเพลินจากสุเพราะปรารฏความยินดีเพลิเพลินจากสุนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัส ท, ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินโสตะหาทยวัตถุหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขัน ที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสาโดยอธิปัจัยเก้สหสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอธิปัจใจมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแกย่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสองและหาไทยวัตถุสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาต ะ, ชาชาตะอาหาระและอินทรียะ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 เป็นปัจจัยแขกตาตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมท ah ี่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาพึงเพิ่มเป็นสองวาระนติปัจจัยวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยเกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรค เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารได้โสดาปติมภ์โดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยเอาวิคตะปัจจัย